พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่39มหาอัศบูระสูตรสูตรว่าด้วยคำสอนในนิคมชื่ออัศบูรสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับในนิคมแห่งแคว้นอังคะชื่ออัศบูรตรัสสอนภิกษุทั้งหลายมีใจความว่าคนเข้าใจพวกท่านว่าเป็นสมณนะ พวกท่านก็มีชื่อว่าสมณะปฏิญญาตนว่าสมณะจึงควรสำเนียกที่จะสมาทานประพฤติ ธ, ธรรมอันทําให้เป็นสมณะทําให้เป็นพราหมณ์ซึ่งจะทําให้ชื่อเป็นจริงคําปฏิญาณเป็นจริงทําให้การบริโภคปัจจัยสี่ของเขาฤ ห, หัสมีผลมากมีอนิสงฆ์มากแก่เขาการบวชก็จะไม่เป็นหมันมีผลมีกําไร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 ชื่อว่าผู้มีกิเลสไหลออกเพราะอากุศลบาปทมไหลออกแล้วชื่อว่าพระอริยเจ้าเพราะไกลาจากอากุศลบาปรมชื่อว่าพระอรหันต์เพราะไกลาจากอากุศลบาปรมหมายเหตุผู้อ่านคำว่าอากุศลบาปรมทาในที่นี้สะกดด้วยทอทงนะครับ